คำวาทำคำว่ า, วามีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่พรมโลกมีอยู่นิพพานมีอยู่และสัตว์โลกที่อยู่ในแหล่งแห่ง สถานที่หรือสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งมวลไม่ใช่คนธรรมดารู้ไม่ใช่คนธรรมดาที่มีจิเลสทั้งหลายเห็นกันหูตาจมูกเลี่นกายใจของคนธรรมดา หรือสัตว์ทั่วโลกไม่มีใครสะอาดเอื้อมรู้เห็นได้ยินและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันซึ่งเป็นผู้วิเศษจิตสว่างข้าจางแจ้ง เพราะความเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายแล้วจึงสามารถเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้แต่พูดถึงนิพพานก็จิตของท่านเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมากล่าวมาแนะนำสั่งสอน ท, ทั้งมวลคิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น และสิ่งทั้งปวงสถานที่ทั้งมวลดังกล่าวมานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะเชื่อได้ในขั้นเริ่มแรกต้องได้เริ่มชี้แจงไปตามภูมิตามฐาน อุปนิสัยของสัตว์โลกไปก่อนจนกว่าจะมีเครื่องมือพอสามารถที่จะทราบได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นแต่และสิ่งละอย่างไปโดยลํำดับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งมวลนี้จึเงเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรู้จะเห็นจะเชื่อถือได้เพราะ ไม่มีรายใดไปพบไปเจอไปรู้ไปเห็นมาพอจะนําสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นมาพูดมาเล่าให้เพื่อนฝูงกันต่งจะเป็นรายใดก็ตามในแหล่งแห่งโลกทานไม่มีแม้แต่รายเดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งบาปทั้งบุญ ทั้งนรกสวรรค์เปรตผีต่างๆให้พบน้อยพบใหญ่ซึ่งเป็นไปอยู่ตามวิบากของตนของตนถ้าถึงขั้นสูงขึ้นไปเคบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นทมมโลกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นและเป็นผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเหล่านี้ให้เข้าใจตามกำลังความสามารถของตน ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเข้าสู่จิตใจของสัตว์โลกได้ยากเพราะไม่เคยรู้เคยเห็นจะให้เชื่อกันได้อย่างง่ายดายอย่างไรได้สิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์รึกคุกคา้ากันอยู่ตลอดเวลาในภพชาติต่างๆมาตั้งกับทั้งกันก็คือความมืดบอดและ สิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนจะพึงรู้พึงสัมผัสได้เท่านั้นเจนตาก็สามารถจะมองเห็นได้ในรูปหรือสีแสงต่างๆวิสัยของตาก็มีเพียงเท่านั้นหูก็เพียงฟังเสียงอย่างมากก็มีเครื่องมือช่วยตาก็อย่างมากก็มีเครื่องมือช่วย ใจเพียงลเล็กๆ น, น้อยๆเครื่องมือเหล่านั้นก็อยู่ในวิสัยของสมมุตินี้อีกเช่นเดียวกันจมูกลิ้นกายมีแต่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนไม่นอกหรือไปจากนี้ได้ใจแม้จะเป็นความรู้เรียกว่าเป็นพื้นฐานแห่งตัวรู้อยู่แล้วกว็าตามแต่ ใจดวงนี้ก็ถูกปิดบังหุง้มห่ออยู่กับสิ่งมืดมิดปิดตาทั้งหลายอีกด้วยจึงรู้แบบที่ทันว่าอาวิชชาปัจจยาหรือว่าอาวิชชารู้กับรู้แบบฝ้าฝ้าฟัาฟางฟงัไม่รู้เต็มหูเต็มตาเต็มดวง ตาจริงๆ ร, รู้แบบว่าแบบฟางไม่รู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราแห่งความรู้ของตนทำจริงเข้าสู่ใจิตใจของโลกโดยระยากเพราะเ ห, เหตุเหล่านี้แหละ <c oughs> และผู้ที่มาประกาศสั่งสอนโลกนั้น <c oughs> ก็มีเพียงพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธเจ้า คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเคยเชื่อสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมากมายต่างคนต่างสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่อยู่ในยิสัยของตนเมื่อกันเมื่อพูดสิ่งเหล่านี้มาสู่กันฟังโลกทั้งหลายก็เชื่อกันได้ไง่ายๆเพราะอยู่ในยิสัยของตนที่รู้ที่เห็นที่ควรจะเชื่อได้หรือเชื่อได้ย่อเชื่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่เนือจากนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นแม้จะมีผู้มาชี้แจงบอกสอนอย่างชัดเจนหรือแจมแจง้งอย่างไรก็ต่ า, ตาจิตใจก็ยังเปิดรับไม่ได้เพราะสิ่งที่ปิดบงังจิตใจให้เปิดรับความจริงคือธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มันปิดสนิทอยู่ภายในใจไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาเลย นี่จึงเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับสัตว์โลกที่จะเปิดทางจากสิ่งปิดบังหุมห่อลึอขีดขวางรัดตึงอยู่ภายในใ จ, จิตใจนี้ให้ออกได้ทีละเปาะอสองเปาะหรือทีละเก้าสองเก้า่งเป็นความลำบากมากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นก็หนึ่งว่าอาวัยวะเดียวกันกับ ทั้งร่างกายและจิตใจของสักแต่ละหลายละลายทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือใจแท้นั้นจริงแต่สิ่งที่เคลือบแฝงอยู่กับกาจนั้นปลอมตานั้นเห็นได้จริงแต่สิ่งที่จะเคลือบแฝงให้ ไลยพาหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายในเมื่อสัมผัสสัมพัส น, นั้นมีอยู่อีกฉากหนึ่งคืออยู่ฉากหลังจึงมองเห็นอะไรย่อมเป็นไปด้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่ได้เป็นไปตามหลักความจริงในสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยนี่แหละคำว่าทำทำจึงแม้จะมีอยู่ มาตลอดอนันตการก็ตามและมีอยู่ในที่ทั่วไปก็ตา่างสาตโลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะปรับเครื่องรับธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นเครื่องปรับให้เข้าสู่ธรรมขั้นต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะไม่สามารถที่จะปรับได้ธรรมจริเงเป็นของลำบาก สำหรับโลกที่จะสัมผัสสัมผั์ได้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าซึ่งทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยไม่สงสัยทรงสแสดงหลายครั้งหลายหนสิ่งที่รับทราบคือใจและปรับปรุงตัวไปในขณะที่ได้ยินได้ฟังโดย ส, สม่ำเสมอ สิ่งที่ปิดบังทั้งหลายก็ยอมจะเบาบางออกไปจางออกไปถ้าเป็นเมฆหนานหนามืดๆทึบๆก็จางออกไปกระจายออกไปอ ม, มองเห็นทิศเห็นทางได้โดยลำดับลำดาบมีหละกการได้ยินได้ฟังจากแมก้จะเป็นกระแสะแห่งธรรมก็ตามที่แสดงออกทั้งหมด จะจากพระพุทธเจ้าก็ตามจากพระสาวกทั้งหลายก็าตามเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นก็จริงแต่เมื่อได้ฟังอาการแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะยังจัดทั้งหลายให้เข้าสู่ความจริงได้ย่อมจกเข้าสู่ความจริงได้เป็ น, นลํำดับตํามดาเพราะการได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่สมําเสมอหากเราจะ พิจณาธรรมดาด้วยเอาสิ่งตำช้าแล้วตมที่ฝังใจเป็นเจ้าอำนาจนี้ออกมาคิดมาปรุงกันก็ง่ายทรมีอยู่ทั่วไปตามคัมภีร์ไบบลตามวัดตามวาคูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีเต็มไปหมดนี่เราพูดสมัยที่มีศาสนาอย่างนี้ก็ง่ายแต่ว่าธรรมที่จะ ให้เป็นประโยชน์ให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจของตนให้ตื่นเต้นให้สะดุดใจให้เกิดความเชื่อความล้ำไสให้เกิดความกระยิบให้เกิดความพอใจให้เกิดความสุขเป็นลําดับจำดานั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ได้ยากถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทำแท้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้จะไม่สัมผัสสัมพันธ์ เลยตั้งแต่วันเกิดจกนกระทั่งวันตายจะเกิดเปล่าเปล่าเหมือนต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นมาและตายทิ้งเปล่าเล่ า, เ, ลาเหมือนต้นไม้ใบหญ้าตายนั่นแหละคุณสมบัติที่จะเอาทำประโยชน์อะไรไม่ปรากฏมีร่างกายนืตัวของเราทั้งทั้งร่างทั้งตัวนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเกิดแล้วตายเล่าตายแล้ ว, ลวเกิดเล่า ก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆที่เกิดที่ตายกันเกอนโลกอันนี้ทําไม่สาะแสวงหาสารธรรมให้เข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งหรือปรับปรุงจิตท้องตนให้เข้าสู่ระดับอันควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้คือทมแท้ได้ด้วยการปฏิบัติแล้วเราจะไม่มีทางรู้เห็นไม่มีความเป็นสาระ แก่ตนและเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนได้เลยมีพวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่ได้นับถือศาสนาและยังได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมด้วยแต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยมีเรียกว่าก้าวเข้าสู่แดนที่จะควร สัมผัสสัมพันธร์ทรมได้ตามขั้นตามภูมิข อ, ของธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยู่แล้วหรืงควรกระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติตนคำว่าทมเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิทำเนี่ยสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนภายในใจการให้ทานการรักษาศีลนั้นก็เป็นผลปรากฏในใจแต่ไม่เด่นชัด เหมือนสมาธิธรรมปัญญาธรรมตามขั้นของธรรมนั้นๆจนถึงขั้นวิมุตติธรรม <c oughs> ธรรมนี้เป็นธรรมแท้ชื่อของสมาธิก็ไม่ใช่ธรรมแท้ชื่อของปัญญาก็ไม่ใช่ธรรมแท้ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหรือพันิพารก็ไม่ใช่ธรรมแท้ ทำแท้คือสิ่งที่สัมผัสจับใจของตนว่าใจสงบเป็นสมาธินั่นใจได้เริ่มสัมผัสสัมผันธรรมแล้วสมาธิขั้นใดมีความสงบเย็นใจขนาดหนังก็ทราบได้ชัดภายในใจนี่คือทำแท้แม้จะเป็นขั้นทำทำขันน้นแห่งธรรมที่ยังต่ำ ยังหยาบอยู่ก็าตามแต่ก็เป็นธรรมแท้เช่นเดียวกับธนบัตรใบสิบบาทยี่สิบบาทใบร้อยบาทห้าร้อยบาทเป็นธนบัตรที่จริงไปตา ม, ตามกันมีคุณภาพตามลำดับลำดายของตนไปโดยลำดับมีธรรมก็เช่นนั้นเหมือนกันคำว่าสมาธิธรรมเริ่มแรกตั้งแต่จิตได้รับความสงบเพราะการภาวนา การอบรมจิตใจการรักษาจิตใจบำรุงจิตใจด้วยสติคลี่คลายสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อภายในจิตใจด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้นคำว่าสมาธิเริ่มปรากฏก็คือความสงบเย็นใจความมั่นคงของใจความมีหลักฐานของใจ เริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วนะานการพิจารณาทางด้านปัญญาลี่คลายสิ่งที่รัดลึงภานจิตใจด้วยอำนาจแห่งอุปท า, านเพราะเป็นสาเหตุมาจากความรุ่มหลงก็ขี่คลายลงไปตามหลักความจริงให้เห็นได้โดยลำดับลำดาอุปท า, านซึ่งเป็นสิ่งที่หนักมากยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทับ อยู่ตลอดเวลานั้นก็จะคลายตัวออกไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่คลี่คลายหรือแก้สิ่งที่มัดรึงจิตใจเอาไว้ออกไปได้เป็นลำดับเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นยางผลให้จิตได้รับ ความเบาบางมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบได้ชัดว่านี่ทำแท้ที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญาได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้ปัญญามีหลายขั้นการพิจารณาในขั้นเดิมแรกจะไม่สะดวกฟื ด, ด, ด ương, ๆเครืคค่องๆขัดๆข้องๆแต่พิจารณาหลายครั้งหลายหนปัญญาก็ ย่อมมีความราบรื่นมีความคล่องแคล่วแก้วค่าฉลาดแหลมคมขึ้นไปเป็นลำดับลำดาผลที่จิตได้รับจากปัญญาเป็นผู้แก้ผู้สอนผู้ถอนผู้เบิกทางอันรกรุงรังด้วยกิเลสอุปทานทั้งหลายออกได้เดิมดับนั้นก็ย่อมสวา่างกระจ่างแท้งขึ้นสแสดงผลให้เห็นอย่างชาัดเจนภายในใจนี่ก็คือธรรม ทมได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจสมาธิทำปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่ปรากฏที่ไหนในอ ว, อวัยวะทั้งมวล น, นี้ไม่ใช่ภาชนะของธรรมมีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นภาชนะของธรรมและเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ โดยทางที่ถูกมีจิตตะภาวนาเป็นต้นจนสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยฝึกหัดค้นคว้าจนมีความคล่องแคล่วภายในตัวแล้วสิ่งใดที่มีจะปิดบังหุ่มหอ่อภานใจิตใจมากน้อยเพียงไรเียวโยงมา ก, กับอะไร สติปัญญาจะสามารถค้นตลบทบทวนในสาเหตุที่เกี่ยวยงนั้นอันเป็นทางให้จิตใจไป่ยึดถือนะั้นเข้าไปโดยลำดับและตัดขาดไปได้เป็นวักเป็นตอนและคำว่า ผลของปัญญานั้นก็คือจิตเป็นผู้รับจะเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจสรุปความลงในข้อสุดท้ายแห่งยอดธรรมก็คือสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องกมจัดฟาดฟันหันแหลกสิ่งรบกุงรังทั้งหลายภายในจิตใจ อันเป็นส่วนละเอียดให้แตกกระจายหายสูญไปหมดไม่มีเงื่อนต่อไม่เกี่ยวโยงกับสิ่งใดคือไม่เกี่ยวโยงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นส่วนภายนอกและไม่ผูกพันไม่เกี่ยวโยงไม่ผูกพันกับรูปคือกายของตนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสัญญา ความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับภาพในเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์คาาํอาอายตนะไม่มีควา ม, มโย่ยวโยงไม่มีการประสานตัดขาดจากกันทั้งหมดทั้งอายตนะภายนอกคือรูปเสียงติ่นรถเครื่องสัมผัส ตัดขาดทั้งระยะปันอาญาณภายนัยคือตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตก็รู้เท่าตัวเองนี่ขาดภายในจิตอีกด้วยไม่มีเงื่อนต่อได้เลยนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเลิศดูที่ไหนก็ไม่มีคําว่าการสถานที่ที่จะไม่อยู่กับธรรมเลิศประเภทนี้ เพราะใจเป็นกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่และท่านว่าธรรมประเสริฐจะปรากฏขึ้นที่ใจแล้วไม่ว่าทำรรขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นและธรรมที่กล่ามาทั้งมวล น, นี้ก็มีพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพกรู้เห็นทุกแง่ทุกมุม เมื่อใจคือเป็นความรู้สึกประจำตอนอยู่ซึ่งเคยเกี่ยวข้องผัวพันกับสมมติทั้งหลายเนื่องจากใจที่เป็นสมมุติเนื่องจากใจที่เป็นกิเลสเต็มตัวสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดริงเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดคือเป็นเรื่องผูกมัดรัดดึงตัวเองไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งท้ง ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายอารมณ์ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตตัดแม้ปัจจุบันก็ติดติดไปหมดปัวพันไปหมดจึงไม่สามารถที่จะรู้ทำของสิ่งหลางได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจปบกคุมมุมห่อไปเสียหมดทั้งขณะได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์ต่างๆจนกระทั่งอารมณ์ที่คิดขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจก็เต็มไปด้วยสิ่งผูกพันนัดลึงอยู่ทั้งนั้น จิตจึงหาอิสระไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยสิ่งกดขีบ่บังคับสิ่งปกปิดกำบังแล้วจะมองเห็นความจริงได้อย่างไรมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งตรงนี้ทางนั้นคำว่าทำจะปรากฏขึ้นภายในใจได้อย่างไรทำไม่ใช่ประเภทเหล่านี้ประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมตุติประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปิดจิตปิดใจต่างหากไม่ใช่ประเภทที่จะเปิดเผยจิตใจ ถุดลากจริงเหล่านี้ออกให้ได้มองเห็นใจเห็นธรรมได้อย่างชัดเจนธรรมจึงเป็นธรรมเมื่อนํามาปฏิบัติจึงจะปรากฏขึ้นภ า, ายในจิตใจดังพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงเรื่องว่าบาปมีอยู่ใครจะไม่ทราบก็าตามบาปนี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบุญเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบาปก็คือความทุกข์ของสัตว บนก็คือความสุขของศัพท์ของคนนั่นแหละนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มียิบากกรรมอันชั่วสวรรค์เป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มียิบากกรรมอันดีพรหมโลกก็เหมือนกันเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเป็นที่อยู่ของผู้มียิบากกรรมอันดีนิพพานเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ใครจะเห็นใครจะรู้ได้ เพราะไม่ไม่มีเครื่องมือใจไม่สว่างก็ะจ่างแจ้งใจไม่พ้นสิ่งปิดปกปิดกำบังทั้งหลายมองก็มองไปด้วยความมืดความบอดที่จิเดศปิดบังตาเอาไว้บุญจะมีบาปจะมีอยู่ตั้งกับทั้งกันก็หาได้เจอไม่หาได้พบไม่ทั้งทั้งที่บุญบาปก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจนั่นแหละก็ไม่ทราบได้ พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สามารถทราบตามหลักความจริงการตรัสรุ้ธรรมตรัสรุ้ตามหลักความจริงไม่ใช่ตรัสรุด้วยความจำปลอมอสิ่งใดที่มีอยู่เป็นอยู่ยังทรงยอมรับตามความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้นตัวเหตุนี้คําว่าบาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่ธรรมะโลกมีอยู่จึงทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ ไม่มีศาสนาองค์ใดจะไปลบล้างสิ่งมีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ให้สูญหายไปจากความมีอยู่ของตนได้นอกจากจะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกในสิ่งที่ควรละว่าเห็นว่าเป็นไผ่ในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญเห็นว่าเป็นคุณเพื่อสถานที่ที่พึงหวังจะได้เป็นสมบัติของตนเท่านั้น มีแต่การแนะนําสั่งสอนอย่างนี้เป็นแบบเดียวกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในแดนโลกธาตุนี้แต่และพระองค์พระองค์พระอาวาสจึงไม่หัดแย้งกันแต่ในแต่การไหนไหนมายกตัวอย่างในพระอาวาสที่ย่อๆว่าสัพ ป, ปาปัสสะอากกรหนังการไม่ทําบาปอยากช้าลามกทั้งปวงหนึ่ง อุศะสู้ประซ้ำประดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมขึ้นที่ใจหนึ่งสจกิตะประโยดปันนังการยังทำราจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสันนังนี่คือทำ ค, คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ทรงสอนไว้อย่างนี้ เพราะการตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ได้อุตริไปตรัสรู้ในสิ่งที่ไม่หีไม่มีไม่เป็นด้วยเห็นนี้การสั่งสอนจึงต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นนั่นแหละแล้วทีนี้ย่นเข้ามาคือใกล้ก็มีไกลก็มีเหมือนอย่างที่เราเห็นสมมติปรากฏในโลกมีทั้งใกล้ทั้งไกลมีทั้งในทั้งนอก อเนยนเข้ามาถึงเรื่องที่ว่าบาปมีอยู่สําหรับผู้ปฏิบัติไม่อยู่ที่ตรงไหนบาปเป็นพื้นฐานเป็นที่บรรจุของบาปคืออะไรอะไรเป็นสิ่งเป็นสถานที่หรือเป็นที่บรรจุของบาปเป็นที่สร้างบาปคืออะไรก็ใจเป็นสถานที่เป็นโรงงานสร้างบาปผิดบาปขึ้นมา เพราะกิเลสเป็นผู้บังคับให้สร้างบาปขึ้นมาท่านบอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เป็นสาเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมท่านจึง ก, กิเลสวิบากเนะีจะรับผลของกรรมวกเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนมดแดงไต่ขอบดองนั่นแหละ ใจกับไปวนไปเรียนมาอยู่ในขอบด่งขอบเดียวสําคัญว่าเป็นของใหม่ไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้นที่ที่สร้างบาปก็คือใจเมื่อสร้างบาปแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจที่สร้างบาปก็คือใจเมื่อสคึกที่สร้างบุญก็คือใจเมื่อสร้างบุญได้มากน้อยความสุขก็ปรากฏ ข, ขึ้นที่ใจใจมีความ ละเอียดมากน้อยเพียงไรการเลื่อนท่านภูมิของตนก็ย่อมเลื่อนไปตามลําดับลําดาแห่งคุณลักัติของใจที่จะก้าวเข้า ส, สู่ภูมินั้นๆเมื่อจะย้ายออกจากภพชาติที่เป็นอยู่นี้ไปสู่ภพชาติดึกสถานที่อื่นเรียกว่าปรตโลกก็ต้องก้าวออกไปด้วยกําลังแห่งบุญแห่งบาปที่บรรจุไว้ภาณในาจิตใจได้มากน้อยเพียงไร เมื่อกำลังทางทางชั่วมีมากก็ผลักดันให้ไปเกิดในสถานที่ต่าช้าเดียวสามเช่นนรกตลอดถึงโลกักนตนรกเป็นต้นนี่อะไรพาให้ไปสิก็ผู้นี้แหละผู้ที่บรรจุความชั่วช้าลามกให้มีพลังเต็มที่ผากสา ย, ยดิตใจให้ไปสู่แดนนรกที่ไม่พึงปรถาถนานั้นไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็น ผู้ไปบังคับกดขี่ข่มเหงให้ไปสู่นรกขุมนั้นขุมนี้แต่เป็นเพราะความคึกความเขนองความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งมวลเป็นผู้พาให้สร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่คำหนึงถึงถึงผิดถึงถูกดีชั่วประการใดหมดเวลาได้รับผลกิเลสมันไม่มารับเราผู้ทําตามอํานาจของกิเลสนั่นแหละเป็นผู้รับผลแล้วทีนี้จะลบล้างได้อย่างไร เมื่อเข้าถึงตัวผลแล้วลบล้างไม่ได้ทุกทุกมากน้อยเพียงไรจนถึงขั้นมหันตัดทุกเราก็จําต้องยอมรับให้เต็มที่เต็มฐานอืะจะตายก็ไม่ตายเพราะจิตไม่เคยตายหากทุกเต็มที่เต็มฐานเพราะอํานาจของกรรมมากน้อยที่พาให้ทุกอยู่นั่นแหละจนกว่าจะพ้นผ่านพ้นนั้นแต่ได้เพราะคําว่าบาปก็ เ, เป็นของไม่เพียง บุญก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันย่อมมีทางสิ้นสุดไปได้มีหมดไปได้มีเบาบางไปได้เหมือนอย่างคนพ้นโทษนี่นอกจากก้าวเข้าสู่นิพพานเสียอย่างเดียวเท่านั้นนันนั้นคำว่าอนิจังทุขังอนัตตาเข้าไม่ถึงทีนี้การสร้างบุญก็เทียบกันได้กับการสร้างบาสร้างบุญนี่คือทาเป็นผู้บงการ ทำเป็นผู้ผลักดันให้สร้างสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่กิเลสพาให้สร้างเพราะฉะนั้นผลจึงต้องต่างกันถ้ากิเลสพาให้สร้างจะแสดงผลคือจะสร้างตั้งแต่สิ่งที่กิเลสต้องการแต่เป็นสิ่งที่ขัดขวางทำเป็นสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อทมแล้วก็ย้อนเข้ามาเป็นค่าศึกต่อตนทั้งนั้นนี่คือกิเลสพาให้สร้างกรรมเป็นอย่างนั้น แต่ทำพาให้สร้างกรรมให้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเช่นการให้ทานการรักษาสี่งการภาวนากิเลสอะไรก็ตามที่แสดงออกจากการกระทําที่เป็นผลเป็นประโยชน์แต่ตนและผู้อื่นไม่มีการกระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอันเกี่ยวกับกิเลสแทรกแทงอย่างนั้นเรียกว่าทำพาให้สร้างบุญสร้างความดีเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างความดีเพราะธรรมนี้ก็ย่อมมีความสุข บุญคือความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการสร้างความดีแล้วพูดมาทั้งมวล น, นี้ใครเป็นผู้สร้างก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้บงการเป็นโรงงานอันให่โตเป็นผู้บรรชางานออกมาจากใจเมื่อใจได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วย่อมจะระบายออกมาในทางทีู่กที่ถูกที่ดีผลก็สะท้อนย้อนกลับเข้าไปเป็นความพึงใจของจิตเจ้าเอง เพราะเราเป็นผู้ทาผลย่อมเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีภูมิอัดภูมิธรร ม, มควรกะกล้าเข้าสู่ขั้นภูมิสูงมากน้อยเขยมไหล่ก็พลังแห่งธรรมพลังแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากทำเป็นผู้พาให้สร้างนั่นแหละจะเป็นผู้ส่งเสริมให้ไปเกิดในภพนั้นๆคือภพอื่นภพหน้าชั้น อื่นชั้นหน้าเช่นชเช่นสวรรค์พรมโลกดังท่านกล่าวไว้สวรรค์ก็หกชั้นพรมโลกสิบหกชั้นนิพพานเ้านี้เป็นสถานที่ที่อยู่ของผู้มีบุญเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลบุญไม่อยู่ที่ไหนบาปไม่อยู่ที่ไหนบุญก็ดีบาปก็ดีไม่อยู่กับดินน้ำลมไฟ ฟาอากาศที่ไหนๆทั้งมวลไม่มีที่สถิตอยู่ของบุญไม่มีที่ปรากฏอยู่ของบาปและบุญเหมือนใจใจจึงเป็นภาชนะรับได้ทั้งบาปและบุญแม้ตนจะไม่ทราบว่าบาปมีบุญมีความต่างและบุญและบาปนี่แหละจะเป็นพลังผลักดันอันสําคัญให้สัตว์โลกได้หมุนตัวเข้าไปสู่กําเนิด เกิดเป็นพพชาติต่างๆจนกระทั่งถึงตกนรกหมกไหมจะนอกเหนือไปจากกิเลสอันเป็นผู้บงการให้ทำกรรมชั่วนี้ไม่ได้เลยแล้วผู้ที่ไปในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมนี้ที่พึงหวังก็ไม่นอกเหนือจากบุญเป็นพลังที่ได้สร้างความดีมาแล้วนั่นเลยเนสา์โลกท่องเที่ยวอยู่ตามที่กล่าวเหล่านี้หละ <c oughs> ที่ว่าอบายภูมินรกเ <c oughs> ปรตอสุรกายสัดิยาชันท่านกล่าวไว้สัดิยชาชันเราก็เห็นด้วยตาเนื้อของเราว่ามีหรือไม่มี <c oughs> เราสงสัยที่ไหนเมื่อสิ่ง รับสัมผัสสัมพันธ์กันมีอยู่ก็ย่อมเชื่อตามสิ่งที่มีอยู่เพราะการสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูของเรานี่ยมเรียกว่าทารีร ะ, ะฉานส่วนเปรตเราไม่สามารถเพราะภูมิของเราไม่มีความรู้ของเราไม่มียานยานอย่างทราบคือเป็นเครื่องมือ อันละเอียดละ อ, อ่ทางด้านธรรมะของเราไม่มีนรกเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งๆที่มีอยู่พวกเปรตพวกผีมีอยู่นรกมีอยู่สัตว์เอีานมีอยู่แต่เราจะสามารถทราบในเป็นในบางสิ่งบางอยา่างแม้ แ, แต่สัตว์นี้เราก็จะทราบได้แต่สัตว์ที่มีอวัยวะหยาบเท่านั้นส่วนละเอียด สุดวิสัยที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วเราก็ไม่สามารถนอกจากมีเครื่องช่วยเช่นกล้องส่องลองูเป็นกล้องส่องดูเชื้อโรคพอเห็นได้สิ่งที่เนื้อวิสัยของสุดวิสัยของเราที่จะเห็นได้ตามหลักธรรมที่ปุต้าทรงแสดงไว้นั้นมีมากมายกลาย ก, ายกอง น, นี่แหละเราจะเห็นได้ชัดว่า พุทธวิสัยคือวิสัยความความสามารถของพระพุทธเจ้ากับสามัญวิสัยคือความสามารถอาจรู้ของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นต่างกันอย่างไรสิ่งที่มีอยู่ท่านเห็นเราไม่เห็นมีเยอะท่านรู้เราไม่รู้มีมากมายทั้งส่วนหยาบส่วนกลาส่วนละเอียดท่านรู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ได้ทุกสิ่งถ้าคิดถึงร้อย สิงแล้วเราจะเห็นเพียงสิ่งเดียวสองสิ่งท่านร้อยท่งนร้อยท่านเห็นนี่แหละศาสนาองค์เอกทรงสั่งสอนสัดโลกตามหลักความจริงที่มีอยู่ไม่ทรงลบล้างว่าบาปมีก็ก็บอกว่ามีและสอนวิธีให้ละบาปหากเคยมีอยู่แล้วในตัวของสัตว์โลกก็ต้องสอนให้ละอย่าพากันกําเริบเือก ส, สารยินดีในการสร้างบาปจะเป็นบาปแล้วจะหากองทุกข์ทั้งมวล ไว้ที่ตัวของเรานั่นแหละไม่มีที่ใดเป็นที่บรรจุบาปไว้ไม่มีตู้ไม่มีหีไม่มีห้หวยหนองคลองบึงจะบรรจุบาปของแต่ละบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งสร้างเอาไว้แต่สถานที่อยู่ของบาปทั้งหลายคือใจใจของผู้สร้างนั่นแหละไม่ใช่ใจของผู้อื่นผู้ใดการสร้างบุญก็เหมือนกันไม่มีที่เก็บไม่มีที่รักษาไม่มีตู้ไม่มีหี ไม่มีห้วยน้องคลองบึงที่จะไปเอาบุญประเทลงไว้เป็นภาชนะสำหรับรับบุญไว้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นที่เจ็บที่รักษาและเป็นที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขความสบายตามอำนาจแห่งบุญที่มีมากน้อยท่านสอนลงที่นี่ตามหลักความจริงไม่สอนที่ไหนโรบเราจะเห็นไม่เห็นเจอไม่เจอก็ตามนในแดนมนุษย์ที่เราไม่เห็นเวลานี้ แต่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่กล่าวไว้นั้นลบล้างไม่ได้สัตว์โลกจะต้องไปตามแถวแนวแห่งวิบากกรรมขั้นตนเข้าสู่จุดนั้นนั้นจนได้ไม่สงสัยเพราะไม่เคยได้ยินว่านารกแต่ละหลุมและหลุมนั้นได้ว่างจากสัตว์นรกไม่มีใครไปตกเพราะสัตว์โลกไม่ต้องกางรศาสตว์โลกไม่อยากยากทรมานนรกแต่ละกลุ่มละกุ่มหรือแต่ละหลุมและหลุมนั้นจึงว่างเปล่าจากสัดนรกที่จะไปตกไม่เคยมี เต็มแน่นแออัดอยู่ในสัตว์นรกก็อยู่ในแดนนรกไม่มีจํานวนน้อยๆเป็นต่เบียงเราไม่ทราบแล้วก็ทําให้จิตใจด้านหารสู้ต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายด้วยความยินแย้มแจนมใสแต่ขยะขยะงในธรรมทั้งหลายที่ควรจะเป็นผลเป็นเป็นประโยชน์อันจะนําตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญนับแต่สวรรค์ขึ้นไปถึงนิพพานมันก็มีเท่านั้นเหตุใดจิตใจจึงรักชอบในในความชั่ว ไม่พอใจในความดีก็เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ชั่วช้าละโมกอยู่แล้วมันจะไปต้องการของดีมาจากไหนพอมาเป็นเครื่องประดับใจของพวกเราที่เป็นครั้งกิเลสเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ําช้าละโมกต้องสร้างแต่ความต่ําช้าละโมกอยู่ตลอดเลยใครไม่มีธรรมล้าไม่มีเครื่องห้ามคใครไม่มีเบรคห้ามร้อตัวเองผู้นั้นจะจมไปด้วยอํานาจแห่งกิเลสจนได้ไม่ต้องสงสัย แต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อเป็นเป็นเบรคแล้วมีคันเร่งที่จะฉุดลากตนเองออกจากสิ่งชั่วช้าระมุกนั้นนะผู้นั้นมีหวังที่จะไปสู่จุดหมายปราทางอันเป็นที่พึงใจของตนได้นี่หลักธรรมท่านสอนไว้เช่นนี้สอนใครถ้าไม่สอนพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเหล่านี้หูหนังนตาเนื้อมันก็เห็นแต่สิ่งที่อยู่ในวิติของมันไอธรรมที่กล่าว สิ่งที่การเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นใจก็บอดเราจะว่าเราฉลาดได้ยังไงเมื่อจิตใจก็เป็นอย่างนี้มันบอ r e d อยู่ทั้งวันทั้งคืนมไม่เห็น ม, มีหูแจ้งตาสว่างภายในจิตใจบ้างเลยจึงต้องยอมเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังสนังขฉามิยอมกราบไหว้ยอมเคารพนับถือยอมฝากเป็นฝากตายกับท่าน แล้วนำพระว่าของท่านมาฉุดลากมาประดับประดาตนเองหรือประคับประคองตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมภูมิแห่งความเป็นมนุษย์มีอัตมีธรรมมีความดีงามประจําใจจิตใจก็รับความเย็นสบายเพราอมหน้าแห่งธรรมเป็นเครื่องพยุงรักษาเนื่องจากการปฏิบัติของเราด้วยความพอพอใจชื่ออัตชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าทํ า, ามังสวัลลคัจฉามิ ทำที่สว่างเจ้าภ า, ายในพระไถยของพระพุทธเจ้าและทำที่มีอยู่ทั่วไปก็เป็นมหามงคลแก่เราผู้ะระลึกถึงท่านสังขังส น, งนังคะฉามีกันเหมือนกันท่านเป็นผู้มิเศษทั้งนั้นธรรมชาติทั้งสามนี้คือธรรมชาติที่วิเศษ และธรรมนี้เคยโปรดสัตว์โลกมาพร้อมแต่โลกเกิดมีโลกขึ้นมานแหละจนกระทั่งปัจจุบันนี้พวกเราผูกเป็นนักปฏิบัติเพึ่งดูเรื่องจิตใจที่พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ของฟฝืนกองใสอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไฟราคะไฟตัญหา ไฟความโลภความโกรธความหลงมันเผาแผลนอยู่ภายในจิตใจให้แก้มันด้วยศรัทธาความเชื่อความมั่นใจวิริยะความภาคเพียรสติความระมัดระวังรักษาตนสมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรปัญญาความสอดส่องมองทะลุเหตุผลดีชั่วเป็นโทษเป็นคุณประการใดบ้าง ไม่เลือกเฟ้นด้วยดีอยู่โดยสม่ำเสมอนีชคือว่ากำจัดไฟที่มีอยู่แล้วก็จะลดน้อยลงไปที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดจะไม่ลุกลามภายในจิตใจของเราให้ร้อนมากไปแล้วสุดท้ายก็ไฟเหล่านี้ก็จะดับด้วยอำนาจแห่งธรรมตะปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาไฟราคะตัณหาให้เบาบางและหมดไปจากใจนี้ไม่มี น้ำใดที่จะดับไฟกิเลสประเภทต่างๆได้นอกจากน้ําอัดน้ำำํำทำเป็นของสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดผมให้ดูผู้ที่จะเหมานรกก็คือใจตรงนี้จะเหมากองทุกข์ทั้งมวลก็คือใจตรงนี้เพราะสร้างอยู่เสมอเถอไม่ได้เนื่องจากกิเลสมันไม่มีคําว่าเถอแต่ไฟทำเราเถอเสมอ เมื่อเผลอเมยกิเลสต้องต่อยเอาต่อยเอาเพราะกิเลสมันราบรื่นคล่องแคล่วภายในตัวของมันพอแล้วเนื่องจากได้เป็นเจ้ามหาอำนาจปกครองจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นประจำวัฏจักรนี้งเองไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือกิเลสและไม่มีอะไรที่จะคล่องตัวยิ่งกว่ากิเลสออกทำงานบนหัวใจสัตว์ มีทำเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดตัดเต่าและรูเพลงของกิเลสประเภทต่างๆได้โดยลำดับและได้โดยตลอดตัวถึงจนมาะทั่งถึงปราบให้ราบออกจากจิตใจได้มีทำเท่านั้นเมื่อใจได้เมืมมมมม่อทําได้ปรยาภิเลสให้ลาบออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกให้กราบพระพุทธเจ้าก็เป็นเองไม่ต้องกราบพระธรรมก็เป็นเองไม่ต้องกราบพระสงฆ์ก็เป็นเอง เป็นอยู่ภ า, ายในจิตใจประทับใจซึงจ้งใจทุกอย่างบาปมีไหมนรกมีไห ม, ม, ไหมสวรรค์มีไหมพรหมโลกมีไหมนิพพานมีไหมประจักษ์หัวใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นหาที่สงสัยไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าอีกทนีนี่แหละความรู้จริงเห็นจริงของบุคคลเพียงผู้เดียวก็สามารถเป็นหลัก ใจของโลกได้สำหรับโลกที่มีความสนใจใฝ่ธรรมเป็นหลักใจของโลกได้โดยไม่ต้องสงสยัยผิด ก, กันกับโลกทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนไม่ทราบกี่ล้านล้านล้านล้า น, านหาสาระนะหาที่ยึดหาที่เกาะหาที่พึ่งพาซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะต่างคนก็จากมีแต่กองฝืนกล่องไฟมีแต่ความรุ่มความหลงมืดมิ ด, มดปิดตาเป็นคนตาบอด ด้วยกันสัตว์ตาบอดด้วยกันหาความสว่างกระจ่างแจ้งพอที่จะจูงกันออกสู่แดนแห่งความสวัสดีปลอดภัยไม่มีเลยหากพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสดูแล้วโลกอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับโลกันต่างนรกจะหมุนกันไปอยู่เช่นเดียวกับปลาที่ถูกโยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นแหละไม่มีทางออก นี่เรานะวามีวาสนาที่ได้เกิดมาในท่ำกลางแห่งศาสนาธรรมได้ยินได้ฟังพระโอวาทอันเป็นบันไดฉุดลากพวกเราทั้งหลายได้ขึ้นจากหลม่มดี้ออกจากที่มืดได้ด้วยศีลด้วยธรรมออกจากกองทุกข์ได้ด้วยความดีด้วยพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพัทธกัปเรากำลังเจริญคว่าพัทระหมายถึงความเจริญให้เจริญด้วยศีลด้วยธรรม จเจริญด้วยความอุตสาห์พยายามในความดีทั้งหลายแล้วใจจะเป็นผู้จเจริญทรงอัดทรงธรรมทรงความสุ ข, ค ว, สขความสบายความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจซึ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงและความสุขแปลกจากกิเลสเอามาแฝงให้เอามาหลอกเป็นในไงมีรากใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ทำอย่างไรทำจงจะปรากฏในใจพระธรรมที่สอนไว้ทั้งหมดนี้ เป็นทางเบิกกว้างเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ใช่ทางตีบตันปิดบางทางที่จะเข้าสู่ความเห็นอัดเห็นทำเป็นทางที่เบิกกว้างไว้ทั้งนั้นนอกจากกิเลสทายเดียวฝ่ายเดีวที่ปิดตันไว้ไม่ให้เราสอบไม่ให้เราสแสวงไม่เห็นอัดเห็นทำไม่ให้เห็นความจริงให้เห็นแต่จริง จ, จอมปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสมันเป็นของปลอมของปลอมเต็มตัว มันจะผิสจิงที่จริงมาให้เราได้ยึดได้ถือได้เป็นที่อิมโคลได้รับความถุกความเจริญได้อย่างไรเพราะมันปลอมทั้งตูวปลอมร้อยเปอร์เซ็นตมีพันมีหมื่นมีแสนเปอร์เซ็นต์มันปลอมถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปรอร์เซ็นต์ไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสไม่ว่าลูกว่าเตาหลานเหรนของกิเลสมันจึงปลอมด้วยกันทั้งนั้นแล้วหลอกโลกให้หลงให้เชื่อความจําปลอม ไม่มีบรรจาเจอของจริงถ้าไม่เอื้อมมือเข้าเก่อทำเสียงมอะไรแล้วจะไม่เจอของจริงตลอดไปจะตายกองกันอยู่ในความจำลองและเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมายอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ดั้งที่เป็นมานี้ตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเทียงที่จะทําให้สิ้นสุดยุติได้ก็คือทำทำมีประมาณทำมีขอบเขตเพราะทำเป็นของจริงสอนโลกสอนด้วยความจริง อันใดจริงทําสอนอย่างนั้นไม่เคยหลอกเคยลวงต้มตุ๋นเหมือนกิเลสเหเลสมันหลอกมันลวงต้มตุน๋นสั้างโลกได้รับความทุกข์ความทรมานหรือผู้คนเราได้รับความล่มจมจนเสียเนื้อเสียตัวคิบหายใายปลืงไม่ใช่เพราะทําพาให้ชิบหายพาให้เสียตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่ใครๆก็ไม่ได้สนใจในสาเหตุของมันที่จะทําให้เราล่มจมเพราะอะไร เนี่ยจริงว่ามันกล่อมได้อย่างสนิทใจเพลงปลอมๆปล อ, อ, อมนะสัตว์โลกได้สนิทใจแต่ธรรมของจริงนี่กล่อมยากเพราะกิเลสมั น, นมีอำนาจมากกว่าในหัวใจของสัตว์โลกนอกจากธรรมมีอำนาจมากขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเอาเถอะเพ่งเพลงกิเลสมันจะหลอกวิธีใดก็าตามมันอยู่ในหัวใจใด แสดงออกมาเป็นอากัาศริยาใดธรรมจะทราบทันทีทันทีเพราะธรรมได้ปราบมันเรียบบุตรไปหมดแล้วจากหัวใจของตนทิ่เละจะหลอกอยังไงจึงต้องทราบหมดทราบหมดนี่แหละมีธรรมเท่านั้นที่จะเหนือกิเลสที่จะปราบกิเลสให้อยู่ได้ไม่ไม่มีอะไรที่จะปราบถ้านำกิเลสไปปราบกิเลสก็เท่ากับมันเป็นมิตรเป็นสหายแล้วเพิ่มกําลังเสริมกําลังกันขึ้น นั่นเป็นคนหนึ่งนี่เป็นคนสองคนบวกกันเข้าก็เป็นสามเข้าไปแล้วนั่นกําลังของกิเลสเป็นสามถ้าเราจะเอาเรื่องของกิเลสไปเสริมกิเลสเพื่อความดิบความดีความสุขความเจริญนั่นก็คือเพื่อพเพื่อเพลินเพื่อไฟเพื่อกําลังของกิเลสตันหามันจะรุนแรงขึ้นพายในตัวของเรากลายเป็นไฟทั้งกองเผาหัวใจเราจนหาที่ผุงที่วางมาได้นั่นแหละเราเป็นนักธรรมะจึงควรทดสอบแยกแยะอืข้างตวงระหว่างกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไร ทัเหตุทั้งผลทั้งการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งดีชั่วต่างๆกิเลส จ, จะหลอกไปโดยลําดับลำนาดีก็หลอกว่าไม่ดีจริงที่จริงหลอกว่าปลอมจริงที่ปลอมมันหลอกว่าจริงทั้งนั้นนี่คือเรื่องของกิเลสกิเลสไม่เคยอยู่ตามปกติสุขไม่เคยอยู่ด้วยความเป็นธรรมเหมือนธรรมจะอยู่ด้วยความปิ้นป้อนหลอกลวงแสดงออกด้วยความปิ้นป้อนหลอกลวงความต้มความถุนเอาฟื้นเอาไฟเผาจัดโลกอยู่ตลอดเวลากิเลสมีอยู่ที่ไหนมากน้อย โลกจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จะมีแต่ความร้อนและความระส่ำระสายไม่ว่าในสังคมมนุษย์เราไม่ว่าแต่ตัวของเราครอบครัวของเราถ้าผู้ใดมีความสนใจไฟต่ำครอบครัวนั้นจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แม้แต่สามีภรรยาก็ต้องแตกจากกันพวกเขาไม่เคยสร้างความพอดีไม่เคยสร้างเมืองพอให้วใจของสามโลก มีหนึ่งแล้วอยากมีสองมีสองแล้วอยากมีสามความโลภโลภไม่มีใครเกินกิเลสคําว่าโลภคําว่าหลงก็ไม่มีใครเกินใ ค, ใครเกินกิเลสคําว่ารักก็ดีชังก็ดีไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงหาความพอดีไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้เขาแทรกตรงไห น, นยิ่งเสริมกิเลสด้วยแล้วแหลกไปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องสงสัยมีทำเท่านั้นเป็นเรื่อห้ามล้อเป็นเบรคให้พอเหมาะพอดี ถึงจะละไม่ได้ก็ให้มีธรรมเป็นเครื่องกากับรักษาเหมือนอย่างโรคชนิดต่างๆที่ไม่อาจจะรักษาให้มันหายได้ยาพอประทังยังมีก็ย่างดีอันนี้ก็เหมือนการเมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะปราบมันให้หมดจากใจได้ได้เราก็ให้มีธรรมความพอดีความมีประมาณเข้าไปรักษาเข้าไปประดับตนเองไปบังคับตนเองเช่นคู่สามีภรรยาอย่างนี้ ก็มีกันเพียงสองคนเท่านั้นก็สบายไม่ต้องไปหาหญิงหาชายที่ไหนเพื่อเป็นความบำรุงบำเลอให้มีความสุขความสบายมากขึ้นมีเมียมีผัวมากมายทลายมีลูกเจ้าหลานเหลนมากทลายยิ่งจะเป็นความสุขก็สบายนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสอืมมันหลอกต้มตุนคนทั้งครอบครัวให้จมไปเลยไม่มีใครเคยได้ยินได้มาออกปากประกาศตนเองว่าจะมีความสุขเพราะ ทำเลยประมาณเพราะความโลภไม่มีเมืองพอเพราะความรักไม่มีเมืองพอนะมีธรรมเท่านั้นทําให้โลกได้รับความสงบปลุกเด็กพูดอะไรก็ฟังกันรู้เรื่องถ้าต่างคนต่างมีธรมรมถ้าผิดยอมรับการไม่เลยดันทุรังกันความดันทุรังก็คือกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆคำว่ากิเลไม่ยอมกันถ้าทำแล้วยอมเมื่อ ยิงแล้วยอมรับกันถูกต้องแล้วยอมรับกันโดยทางเหตุผลโรคอยู่ด้วยกันได้สังคมใดก็ตามตาพิเลศออกหน้าออกตาความโลคความมากใหญ่ไฟสูงความเห็นแก่ตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอยู่นั้นแล้วสังคมนั้นก็คือสังคมล้มเหลวสังคมของเด็กยงังยังดีกว่าเพราะเด็กสังคมของเด็กเด็กไม่ก่อความเสีหาได้เหมือนสังคมแข็งที่เรศ นี่เราก็เห็นได้อย่างจาาัดิธรรระหว่างกิเลสกับธรรมหากจะสนใจพิจารณาไม่ลำเอียงนม่ากิเลสเป็นเส้นนังกระฉามีแะ่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นถึงย่นเข้ามาถึงหัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติดูมันที่วันหนึ่งไปยังไงมันแสดงความรักขึ้นมารักอะไรความรักก็กระเพื่อมความรักก็เป็นสิ่งยุแยกก่ก่อควรความชังก็เป็นสิ่งยุ่แยกก่ก่อควนความโกรธ มันก็เป็นสิ่งยุแย่ก่อควรทั้งนั้นความโลภเป็นสิ่งยุ่ยแย่ก่อควรคําว่าผู้ที่ถูกยุ่ยแย่ก่อควรนั้นมีความสุขที่ไหนไม่มีสิ่งยุ่ยแย่ก่อควรต่างหากจึงเป็นความสุขคนเราอืนี่ก็พยายามดูใจเจ้าของมีอะไรยุ่ยแย่อยู่เสมอเวลานี้มันเกิดขึ้นที่ใจนั้นแหละอย่าเข้าใจประมาณจากทางโน้นทางนี้ตัวการสําคัญมัน อยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจแสดงออกมาที่ใจแต่มันไม่ให้มองเห็นตัวของมันถ้าเป็นหอกเป็นแหลมเป็นหลาวมันก็เห็นแต่หอกแต่แหลมแต่ลาไม่เห็นตัวของมันผู้ทิมผู้แทงนปืนมันก็เห็นตั้งแต่ลูกกระสุนที่มันฝังในแล้วนั้นมันไม่เห็นตัวของมันผู้หญิงถึงว่ามันฉลาดอย่างนี้มันถ้องได้ปกครองหัวใจของสามโลกแลื่องของจิต มีเราต้องการนักหลืออยางให้กิเลสปกครองหัวใจของเราเคยปกครองมาเท่าไหร่เวลานี้อะไรปกครองทําให้กิเลสปกครองทำทั้งหลายได้ปกครองเมื่อไหร่มีนิ่งๆแน่นอนแล้วก็คอยจะล้มไปล้มไปถูกกิเลสทํำลายทำภายในใจมสมาธิทำสมาธะทำก็ถูกมันทำํำลายตั้งไม่ได้ถูกมันทำํำลายปัญญาทำก็ตั้งไม่ได้ถูกมันทำํำลายให้มีแต่ความขี้เฉียดขี้แค้นความห่เหง้าตาวตุ่นหาความคิดความอ่านแต่ตรองอะไรไม่ได้ เป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสแล้วความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหนความท่องใสตลอดตึงความมือสื่อทีงใจจะได้มาจากไหนได้มาจากกิเลสเป็นได้เป็นไปได้เหเรือกิเลสมันตัวมืดดำตัวสกรปรกรกดูลังที่สุดแล้วทําไมจะทำใจของเราให้สะอาดได้ถ้าไม่ใช่ธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยมเหนือแดนโลกธาตนี้จึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประครับประคองใจของเราแค่ได้ชมสิที่ท่านว่าไว้นั้น ไม่ใช่โมคะสัจดาไม่ใช่ศัสดาองค์ดุลดาวเป็นศัสดาองค์เอกไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในสามเดนโลกฐานนี้ผู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้จริงเห็นจริงสอนจริงผู้ปฏิบัติจริงตามนั้นจะไม่ไปไหนจะต้องเจอความจริงสถานที่จริงสิ่งที่จริงจริงอยู่ที่ใจนี่แหละถ้าใจเป็นตัวจริงเป็นต้นเหตุตัวจริงแล้วจะเจอผลที่จริงเป็นหัวใจไม่ต้องสงสัยเพราะการเพลินทำเพื่อลินรู้สึกเหนื่อยครับ